นะพอสำเร็จอรหัตผลพระพุทธคุณทั้งสิ้นก็มาโดยลําดับแห่งอรหัตตมรคนะเช่นอะไรบ้าง พ, านนจจพุทยานีจนะจุทธะพุทยานนะพุทยานานิจุทธะหมายถึงพุทยาน14อย่างพุทยาน14อย่างอะไรบ้างก็ยานเหล่านี้คือยานมขยานผลยานอสาธารณยานหนะ ถ้าเป็นอีกในหนึ่งปฏิสัมพิทาก็บอกว่ายานในอริยมรรคสเออขออภัยยานในอริยศาสตร4สยานในปฏิสัมพิทาสแล้วก็อาสาธารณะยาน6แต่ตรงนี้ยานในมรรคสียานในผลสแล้วก็อาสาธารณะยาน6ชื่อว่ายานของพระพุทธเจ้ารอบรู้สิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะยานในมรรคสี่ยานในผลสี่นี้พระองค์เชี่ยวชาญชา น, ชนาญแตกฉาน เพราะอานุภาพของอาสาธรรณายญาณความที่พระองค์รอบรูมม้มรรคญาณผลญาณอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละพระองค์จึงสามารถแนะนำสั่งสอนช่วยให้บุคคลอื่นตรัสรู้อริยมรรคญาณอริยผลญาณเหล่านั้นได้คำว่าด้วยจะศักด์เรียกว่าจะศักด์มีความหมายรวบรวมญาณอย่างอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเช่น พระองค์บรรลุปฏิสัมพิทายานสีเวสารัชยานสียา น, ยานที่กําหนดกําเนิดสียานที่กําหนดคติหทศพลายานก็รวมลงในพุทธคุณทั้งสิ้นอันนี้ยกมาเป็นเพียงตัวอย่างถ้าในอัธกถาสุปปวาสาสูตรเนี่ยนะสุปปวาสาสูตรที่อธิบายว่าพระทศพลัอธิบายขอไปอธิบายคําว่าตถาคตนั้นอ่ะจะยกถึงยานที่ไม่มีอะไรกลางกั้นในการสาม ไม่มีอะไรกางกั้นในอดีตไม่มีอะไรกางกั้นในอนาคตไม่มีอะไรกางกั้นในปัจจุบันยานที่กําหนดกําเนิดสี่ที่ยานที่กําหนดว่ากรรมเหล่าใดที่พาไปเกิดในคันเกิดในใครเกิดโดยเท่าใครและเกิดโดยโอป ป, ปาติกะเนี่ยนะทั้งกรรมและการเกิดกรรมที่นําเกิดและก็ตัวการเกิด นะยานที่เป็นเหตุให้เกิดในคติ5้ายานที่อ่ะขอไปยานที่รับรู้ถึงกรรมที่นำไปสู่คติทั้ง5้าว่ากรรมเหล่าใดนำไปเกิดในนรกและการเกิดในนรกเป็นเช่นใดกรรมเหล่าใดที่นำเกิดในเปรตและการเกิดในเปรตเป็นอย่างไรกรรมเหล่าใดที่นำเกิดในเดรัจฉานและการเกิดในสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างไรกรรมเหล่าใดที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์และความเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างใดกรรมเหล่าใดที่นำไปสู่เทวดาและพร้ม กรรมที่นําไปสู่เป็นไปสู่ภพเหล่านั้นเป็นอย่างใดและการเกิดเป็นเทวดาและพรหมนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ยานที่เป็นกําลังของพระองค์แต่ถ้าเป็นในอัตถกถาสุปปวาสาสูตรหรือในเรียกว่าในอุทานเนี่ยนะในอุทานกับในอิติวุติกาก็จะยกเพิ่มว่ายานที่กําหนดโพธชง7จยานที่กําหนดอริยมรรค8ญานในอนุปุพปะสมาบัติ9แล้วก็ทศพลายาน10 ยานเหล่านั้นทั้งหมดก็รวมในพระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะพระมหาบุรุษนาทะพอบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่เท้ามหาพรมราธนาพระองค์ก็แสดงธรรมให้ภิกษุที่บวชพร้อมกับพระองค์นะธนัญชัยราชจุทยานเอาไว้เฉพาะพระพักประกาศพระธรรมาจัรพระก็มีผู้ตรัสรู้ตามแสนโกดพระภิกษุแสนโกด ทั้งนั้นพญา น, นาคเชื่อว่าโทนาะมีฤทธานุภาพมากมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชาอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นม้ําคงคาใกล้มหาโท น, นานครพวกมนุษย์ชาวชนบทในถิ่นใดไม่ทําการบวงสรวงพญานาคพญานาคก็จะทําถิ่นมนุษย์เหล่าของพวกนั้นให้พินาศโดยทําไม่ให้ฝนตกทําให้ฝนตกมากเกินไปหรือว่าทําให้ฝนก้อนกรวดตกลงมาเป็นต้น พวกฝนใจนะเรียกว่าพญานาคสร้างความเดือดร้อนให้ได้ครั้งนั้นพระนารถาสาสดาผู้ทรงเห็นฝั่งเห็นอุปนิสัยของสัตว์เป็นอันมากในการแนะนําพญานาคเรียกว่าการไปฝึกพญานาคให้มีสารณะให้มีศีล น, นั้นนะจะมีผู้ที่บรรลุธรรมโดยอาศัยการสอนพญานาคเพราะฉะนั้นภิกษุสงฆ์หมู่ยายเวทล้อมพระองค์ก็เสด็จไปยังสถานที่อยู่ของพญานาคท้อย่างของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าโปรดพญานาคไหนนะ นันโธนันทนาคราชเนี่ยนะนันโธปนันทพุชคังวิพุทธังมหิเตียงปุตเตนะเถระพุชเคนะเนี่ยนะที่เราสวดอะไรพาหงะนะพาหงอะพระองค์นั้นก็ให้พระโมกขาลานะถฝึกหรือฝึกพญานาคชื่อว่านันโธปนันทนาคราชตรงนี้นาคชื่อโทนะเนี่ยนะพวกงูเงี้ยวเขี้ยวเสือเนี่ยก็ไม่เบาเงี้ยนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเราก็เคยเกิดเป็นนาคนะนะพูดถึง พระนารทะสาสดานี่พระองค์ก็ไปไปให้พญา น, นาคนีมีสาระมีศีลพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังสถานที่อยู่ของพญา น, นาคจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระสาสดาแล้วก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพญา น, นาคเนี่ยมีฤทธิ์นะมี ม, มีมีพิษร้ายมีเดชสูงมีฤทธานุภาพมากอาศัยอยู่ในที่นั้นมันจักเบียดเบียนพระองค์พระองค์ไม่ควรเสด็จไปพระเจ้าค้า คล้ายๆกับพวกชชดินสามพี่น้องที่พระองค์ไปขอพักอาศาัยอยู่ด้วยเนี่ยนะบอกว่ยพญานาคมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมาสมณะอย่าเข้าไปเลยเนี่ยนะไอชดินชดินอุรุเวละกับสปา ก, ก็เคยห้ามพระพุทธเจ้าของเราอะนะแต่ว่าพระองค์ก็แต่พระองค์ไม่ฟังคำของมนุษย์เหล่านั้นก็เสด็จไป โปร่งเสด็จไปแล้วก็ประทับนั่งบนเครื่องลาดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งซึ่งพวกมนุษย์เส้นสวงพญานาคนั้นในที่นั้นเล่ากันมาว่ามหาชนประชุมการไม้จะเห็นการยุทธระหว่างสองฝ่ายคือนารพันธ์พระพุทธเจ้ากับพญานาคดูซิว่าพระพุทธเจ้ากับพญานาคจะรบกันอย่างไรครั้งนั้นพญานาคเห็น เห็นพระนาคามูนีหน้าเนี่ยหมายถึงสั์ประเสริฐเต็มความหมายคืองูส่วนนาคะคือผู้ประเสริฐหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้มีโมเนยธรรมโมเนยธรรมทางกายวาจาและใจ น, นะนั่งอย่างนั้นทนการลบหลู่ไม่ได้เพียานาคเนี่ยแหมมันยามกันเกินไปแล้วนะทนการลบหลู่แล้วว่าแม้มองอีกฝ่ายหนึ่งมาเหยียดมายามกันดูสิมันนั่งในที่เนี่ยนะมันของข้าพเจ้ามันนั่งที่นั่งข้าพเจ้าได้อย่างไรหรือว่ามันนั่งที่ที่เข้ามาบวงสรวงพลีกรรมได้อย่างไร เพราะฉะนั้นทนการเหยียดยามไม่ได้มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายมยาย้ำกันเกินไปก็เลยปรากฏตัวบังหวนควันพระทศพล ก, ก, ก็บังหวนควันพญานาคก็บรรดาลไฟพระจอมมุนีก็บรรดาลไฟพญา น, นาคเนี่ยมีเนื้อตัวลำบากอย่างเลือเกินเปลวควันก็พุ่งออกจากพระสรีระของพระทศพลทนทุกข์ไม่ได้ก็ปล่อยพิษออกไม้จะฆ่าพระองค์ด้วยความพิษ่ความรวดเร็วแห่งพิษ บอกว่าทั่วชงพูชวีบจะพึงพินาศด้วยความเร็วแห่งพิษเนี่ยนะจากการที่พญานาค พ, พ่นพิษเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนมากแต่พิษอันนั้นไม่สามารถจะทําพระโลมาแม้แต่ขนเดียวเส้นขนเส้นเดียวในสรีระของพระทศพลให้สะเทือนได้ทีนั้นพญานาคก็ตรวจ ด, ดูว่าพระสมณะมีความเป็นอย่างไรเนาะที่แลก็ปล่อยสุดฤทธิ์สุดเดชของพญานาคแล้วนะดูที่เป็นอย่างไรก็เห็นพระพุทธเจ้ามีพระพักผ่องใสรุ่งเรืองด้วยพระพุทธรัศมี หกสีเต็มที่ดุจพระอาทิตย์และพระจันทร์ในฤดูศาสตร์พญานาก็เลยคิดว่าโอ้พระสมณะนี้มีฤทธิ์มากเรานี่ไม่รู้กําลังของตัวเองผิดพลาดไปเสียลสแล้วแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองก็ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหละว่าเป็นสารณะเนี่ยนะอย่างที่ยักษ์เขาว่าไงนะเหมือนอย่างว่าชนเราใดที่ล้มลงบนแผ่นดินก็เอามือยันแผ่นดินนั่นแหละลุกขึ้นเราก็เหมือนกันถ้าเราผิดพลาดจากผิดพลาดกับพระพุทธเจ้า เราก็ให้พระพุทธเจ้าอดโทษและถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะฉันนั้นครั้งนั้นพระนารถามุนีก็ฝึกพญานาคนั้นแล้วก็ทรงทายะมะกะปาติหารเพื่อยังจิตของมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้นให้เลื่อมใสอ่นนะการแสดงปาติหารก็คือเนรมิตรัตนจงกรมพระองค์ก็เสด็จจงกรมแสดงปาติหาร พ่อไฟกับสายน้ำพุ่งออกจากพระวรากายโดยสีต่างๆหกสีแล้วพระ อ, องค์ก็ตรวจดูวาระจิตของสรรพสัตว์ตั้งหลายแสดงทมตามอัธยาศัยก็มีผู้ที่บรรลุ ป, ประมาณ 90,000 ืโกดมันพระ อ, องค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาในพุทธวงว่าพระมหามุนีทรงฝึกพระยานาคมหาโทนะเมื่อจะทรงแสดงแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ได้ทรงทา อฏิหารในครั้งนั้นครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์9 0,000 โกดก็ข้ามพ้นความสงสัยทั้งปวงในการประกาศธรรมก็มีผู้บรรลุเยอะแยะไปหมดเลยเหลือแต่พวกเรานี่ยนะในครั้งที่3เนี่ยนะครั้งที่3ว่าพระองค์โอวา่าพระนันทุตระกุมารโอรสของพระองค์อภิสมัยครั้งที่3ก็ได้มีแกษัตริแปด0 0ื่นโกดฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งที่3พระมหาวีระ ทรงโอวาทพระอุรสของพระองค์อภิสมัยครั้งที่สได้มีแก่สัตว์แปหมื่นโกธอันนี้ก็คล้ายๆกับราหูโลวาทสูตรเนี่ยนะที่แสดงโอวาทแก่พระราหุลก็มีเทวดาและมนุษย์บรรลุมากส่วนครั้งที่เออนะครั้งที่สะเรอไปว่าครั้งที่พราม ส, สหายสองคนชื่อว่าพัทธสาละและวิชิตมิตรกํำลังสแสวงหาห้วงน้ำคืออมะตะธรรม ก็แสดงว่าสมัยสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยนะเป็นสมัยที่คนนิยมสแสวงหาพระนิพพานเป็นสมัยที่คนต้องการสแสวงหาสาระที่สูงสุดของชีวิตแล้วก็ทุ่มเทสละโดยเฉพาะวันพระามสองอคนพระามสองคนนี้ก็ไปพอไปสแสวงหาก็ได้พบเห็นพระนารถสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ ก, ล, กล้าอย่างยิ่งประทับนั่งในบริษัท เขาเห็นมหาภุริสลักษณะสามสิบสองประการในพระวรากายของพระองค์ก็ตกลงใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีกิเลสดุจหลังคาอันเปิดแล้วในโลกกิเลสเหมือนกับหลังคาที่หุ้มปกปิดไว้นะพระองค์เปิดเรียบร้อยแล้วก็เกิดศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยบริวารก็บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสองสหายนั้นบวชแล้วก็บรรลุษพระอรหันต พอบรรลุเป็นพาสหาดพระองค์ก็ยกปาติโมกขึ้นแสดงในถ้ำกลางภิกษุแสนโกรธอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่หนึ่ง นารถสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธวงศจำเดิมแต่การตั้งปณิธานของพระองค์ในสมาคมพญาศเนี่ยนะปณิธานในตปัฏยาทัศปรมิโยทัศอุปปารมีโยก็กล่าวถึงว่าพระองค์ตั้งปณิธานตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรพระองค์รวบรวมบารมีอย่างไรอุปปารมีอย่างไรปรมาภบารมีอย่างอย่างไรรวบรวมทานศีเนฆะธรมะเป็นต้นอย่างไรก็ในที่ในที่สุดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องพบเห็นพระพุทธเจ้า พระองค์เหล่าใดบ้าง น, นะการที่พระองค์ตัดเล่าพุทธวงศคล้ายๆกับคัมภีร์พุทธวงศที่เราเรียนอยู่นี่แหละภิกษุประมาณ 90,000 โกดประชมุมกันอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่2 ส, ส่วนครั้งที่3เนี่ยนะสาวกสันนิบาตครั้งที่3ว่าพญานาคชื่อว่าเวโรจนะผู้เลื่อมใสในการฝึกพญานาคชื ah ออค่อว่ามหาโทนะเออนาคแปลว่านาคคนนั้นถูกปราบเรียบร้อยอะไรตัวเองก็เลื่อมใสเลย ในรมิตมนดบที่สำเร็จด้วยรัตนะ7ประการขนดเ อ, อ่อขออภยัยขนาดสขมคาวุธในแม่น้ำคงคาอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งบริวารให้ประทับนั่งในมนดบนั้นพร้อมทั้งบริวารก็นิมนต์เพื่อชมโรงทานของตนณนะชนบทของตนให้เหล่านาตกะหญิงนักฟ้อนรำที่เป็นพวกนาคนะนักดนตรีผู้บรรเลงดนตรีชื่อว่าตาละซึ่งทรงเครื่องประดับตกแต่งตัวนานาชนิด ได้ถวายมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งบริวารด้วยสักการะใหญ่สเสเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำอนุโมทนาเสียงแห่งพระธรรมที่ตรัสนั้นเหมือนกับเสด็จลงสู่มหาคงคาในการนั้นพระองค์ก็ยกปาติโมขึ้นแสดงท่ามกลางภิสุ8ดล้านผู้ฟังทาจบอนุโมทนาพั์ นะพวกนี้ที่ตอนที่อนุมโมทนาเขาก็เลื่อมใสขอบวชบวช ด, ด้วยเอหิพิคุเนี่ยนะพอล้างกับบวชก็ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีการประชุมสาวกนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าภิกษุประมาณ8ล้านก็ประชุมกันฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเรานั้นก็บวชเป็นฤาษีผู้ชำนาญในอภิญญาหสมาบัตร8สร้างอาสมอยู่ข้างภูเขาหิมาภานลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านาระ อันผ้าอาหารแปดสโกดและอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในอนาคตมีผลหนึ่งหมื่แวดล้อมอ น, นะแสดงว่าสถานที่ของผู้มีฤทธิ์เท่านั้นจึงจะไปได้สเสด็จไปยังอาสมนั้นเพื่ออนุเคราะห์ฤาษีนั้นดาบทเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นก็ปลื้มใจสร้างอาสมเพื่อเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งบริวารประกาศพระคุณของพระาศาสดาทั้งนะประกาศพระคุณพระาศาสดาสิ้นทั้งคืน โอ้ oh, ชมพระพุทธเจ้าได้ทั้งคืนเนี่ยนะไม่ได้ทําอะไรนั่งชมพระพุทธเจ้าทั้งคืนเ่ยนะของเราบอกว่าจะทำได้อย่างนั้นได้ไหมบอกไม่ยากก็อิทิปิโสพันรก็อาจจะสว่างพอดีก็ได้เดี๋ยนะอิติปิโส 84% ดหมพันครั้งเนะี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวก็สว่างเองจนได้ก็ชมอยู่นั่นแหละเอา้าเขาไม่ได้ห้ามว่าชมซ้ําไม่ได้ใช่ไหม ไม่มีว่าจะต้องใหม่ๆใช่ใหม่ๆตลอดก็อิทธิพิโสเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุโทโธแบบบาลีล้วนไทยล้วนบาลีไทยไทยบาลีก็กลับไปกลับมาอย่างนั้นก็ได้จะโดย อ, อธิบายยัดถา่าเรือแบบอธิบายหรือแบบไม่อธิาอแบบธายก็ว่าไปเดียวมันก็หมดเวลาเองอั่นะนะแค่คืนเดียวจะไปะยากอะไรปัญหาว่ามีศรัทธาจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหะแต่ฝ่ายพระโพธิสัตว์นี่คงชื่นชมมากกันนั้นอ่ะนะนะก็ประกาศพระพุทธคุณทั้งคืน เสร็จแล้วก็ฟังธรรมกาถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันรุ่งขึ้นก็ไปยังอุตรากุรุทวีตนำอาหารมาจากที่นั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารพอถวายมหาทานอย่างนี้7วันก็วันที่7ก็นำจันแดงที่มีค่าหาไม่ได้จากป่าหิมพานมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจันแดงครั้งนั้นพระโทศพลอันเทวดาและมนุษย์แวดล้อมตรัสธรรมกถา อนัสประกาศอาริยศาสตร์ให้ฟังจบแล้วก็พยากรณ์ว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตตการสมัยนั้นเราเป็นเชดินมีตะบะสูงถึงฝั่งแห่งอภิน ญ, ญาห้าท่องเที่ยวไปในอากาศเราได้ทําบุญบูชาพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพร้อมทั้งพระสงฆ์บริวารชนให้อิ่มน้ําสําราญด้วยข้าวน้ําแล้วบูชาด้วยจานแดง คือบูชาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์และบริวารคือพระอนาคามีอีกประมาณหนึ่งครั้งนั้นพระนารถาพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กัปนี้แปลว่าอีกหนึ่งอสงไขยแสนกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ฟังพระดารัสคําพยากร์ก็ร่าเริงดีใจอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดสร้างบารมีสิประการให้บริบูรณ์เพื่อความเป็น พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทมีเมืองเป็นที่เกิดชื่อว่าธัญยวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าสุเทวพระพุทธมารดาพระนางอนุมาคู่อักระสาวกชื่อว่าพัทธสาละและพระชิตมิตระพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระวาเสธะอักรสาวิกาชื่อว่าอุตรราและพระคุณีต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นมหาโสนะสรีระสูง88ศอก มีพระรสมีจากพระวรกายหนึ่งโยตเป็นปกติพระชนมายุ 90,000 ปีอัคราเหสีชื่อว่าวิชิตเสนาเป็นทั้งเหสีด้วยเป็นผู้ที่ถวายเข้ามาทุปายาติด้วยแล้วก็พระโอรสชื่อว่านันทุตรักกุมารปราศาสสามหลังชื่อวิวชิตะวิชิตาวีและวิชิตารามครองคารวะาวิสัยอยู่ 9,000 ปีอภินศสสกรมด้วยพระบาทไม่ต้องนั่งอะไรไปเดินไปก็ได้เนี่ยนะ ก็ไม่ไกลเพราะว่าตรัสรู้ที่ข้างๆวังนั่นแหละเดินไปก็ได้ไม่ต้องเอารถเอาช้างเอาม้าอะไรมารับรองเหนกันะถ้าไปไหว้พระพุทธเจ้าสังเวชนียสถานพระองค์นี้ง่ายมากนะที่ประสูตรก็ใกล้ที่ตรัสรู้ก็ใกล้นี่นนะธรรมจักรก็อยู่แถวๆนั้นอีกโอ้ที่เดียวเลยนะรวบเบ็ดเสร็จล้าอย่างด้วยกันเสียดายเกิดไม่เรว่าเกิดเกือบทันเนี่ยนะนะแค่สงไขยกว่าเอง พูดถึงรัศมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะแล่นออกจากพระวรากายโดยปกติประมาณวาหนึ่งแต่ว่าแสงที่พุ่งออกไปเนี่ยประมาณหนึ่งโยธทั้งกลางคืนกลางวันบอกว่าสมัยนั้นชนบางพวกจุดคบเพลิงตามประทีปให้ติดสว่างในที่รอบๆโยธหนึ่งไม่ได้เพราะพุทธรัศมีครอบงำทํายังไงก็ไม่มีแสงอย่างอื่นเลยภายในเขตหนึ่งโยธเนี่ยนะแต่ไม่ถึงขนาดว่าหงเข้าไม่สุกนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอก พระองค์มีพระชนมายุประมาณ 90,000 ืปีก็ยังชนหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคสงสารเหมือนอย่างว่าท้องฟ้างามวิจิตไปด้วยดวงดาวทั้งหลายฉั้นใดศาสนาของพระองค์ก็งามด้วยพระอาหันทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันพระนาราสภะพระองค์นั้นทรงทำสะพานคือพระไตรปิฎกคือคําสอนของพระองค์เพื่อยังผู้ปฏิบัติที่เหลือให้ข้ามกระแสสังสารวัฏแล้วก็เสด็จดับขันทปรินิพาน พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีบุคคลเสมอพระองค์นั้นก็ดีพระขีณาสพอรหันผู้สาวกทั้งหลายผู้มีเดช ท, ที่เอาอะไรไปชั่งไม่ได้เหล่านั้นก็ดีทั้งหมดนั้นก็อันตรธานสิ้นไปสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้เนี่ยนะเหมือนกับพวกเราอีกนะว่างเปล่าแน่แท้เนี่ยนะถ้าอีกสักห้าพันปีนี้พวกเราจะเป็นยังไงกันนะจะมีใครเหลือบ้างว ตัวเองยังจําไม่ได้เลยไม่ต้องอะไรนะนะไม่ต้องว่าใครมาจําเราหรอกตัวเองอะถ้าเป็นเวียนว่ายตายเกิดยังจําตัวของตัวไม่ได้เลยนะบทว่าธรรมเสตุงเนี่ยหมายถึงสะพานคืออริยมรรคคาว่าสะพานเพื่อยังบุคคลที่ข้ามจากสังสารวัฏ ร, รมกิจทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปรินิพานมันสะพานคืออริยมรรคข้ามจากวัตฏะู่วิวัฏฏะเพราะฉะนั้นสิกขาสามอธิศีนอธิจิต อ, อธิปัญญา ที่อาศัยพระไตรปิฎกกล่าวถึงประกาศถึงอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาผู้ที่ปฏิบัติตามก็จะยังอารยมรรคให้บริบูรณ์ผู้ที่แทงตลอดอารยมรรคก็ทําที่สุดแห่งวัฏฏุกข์ได้นี่นะมนก็บุญกุศลที่ได้ฟังนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้ได้เดินตามสะพานคืออริยมรรคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วทุกท่านอนุโมทนาชาวนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน